ร่วมเทิดไทยองค์วรการปลายฟ้าเป็นชื่อ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 ต่อไปนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังหมอกสลายที่ปลายฟ้าจากคณะมิตรประสานการละคร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 หมอก 11 ความเดิมตอน ขอเชิญท่าน หมอ หมอดาหวัน? ดาวันณาผู้ๆๆสิ พอเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าและหยิบเครื่องมือแพทย์เดี๋ยวเดียวนะคะ ภรรนาที่ หมอมาแล้วค่ะนี่ช่วยเมียด้วยนะครับคุณหมอปวดปวดท้องค่ะเอ่อคู่ไปรอ พี่ผิดไปแล้วพี่ผิดเองมาๆมาทีนี้อ๋อแม่ใส่ต้มน้ําร้อนให้หน่อยนะ อะไรอีกเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยไหมน้อยไปๆๆไปเร็วเป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยมั้ยถามอะไรจริงๆค่ะ ผมแม่เล่นเท่านั้นน่ะแหมก็ทนว่าคุณจะ ไหนๆเราก็ช่วย มาช่วยไว้แม่กับน้องก็คงไม่รอดแน่เอ๊ะนั่นพี่นกหยิบไอ้ จะยิบมาให้ไอ้น้อยเนี่ยนํามันมาได้ให้มากินแล้วพ่อเฒ่าให้ ไม่มียาบ้าอีกต่อไป มาทำเสียงไก่พอดีที่จริงครูใหญ่เมื่อส่ง เอาน้ำตาลก็ไม่ต้องใส่เพราะว่าคนชงไม่ต้องพูดต่อค่ะชงก็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 เองนะยายหวานอุ๊ยอ๋ออืม เห็นไหมคะต่อหน้าแม่ยังขนาดนี้เออแล้วกาแฟเสร็จแล้วล่ะหลังแม่ มีปัญญาตามเข้าไปแล้วล่ะพอหลับอืมดูไปก็เหมือนเด็กๆนะกินง่ายอ้าวๆฮะนี่ ไม่เคยได้ยินเหรอคะที่ว่าง่วงอย่า แต่นอกจากนั้นเรา มัวยังไงวะอ้อยลูกพี่คอยคําตอบแกอยู่ จะว่าไปฉันก็อยากได้เสื้อเส้นใหญ่ สงสัยเค้าแพ้เครื่องแบบๆไป <c oughs> อยู่ในห้องไม่มีแขกค่ะแต่ว่าอ๋องั้นผมเข้าว้าแย่จริงค่ะ มรรควนิยะพี่กับครูใหญ่อุ๊ยตื่นเพลตื่นเป้งไปทําอะไรกันมา สงสัยวันนี้ต้องชวนคนอื่นดีอ่ะ สวัสดีครับคุณพงษ์อ้าวเปียกมาทําอะไรที่อนามัยนี่ล่ะเปียกก็เป็นนักการ ทำไมผมไปก่อนละแบบเดียวกันอย่างงี้น่ะผมไปก่อนละเมื่อกี้ใครอ๋อฉันอ๋อคิโมโดไซโนยสิพี่ เย็นแม่ลูกเมื่อๆนะ ลายกำแพงใจให้บริษัทไทยรุ่งยูเนียนคาร์จำกัดมหาชนผู้ลึกยาเสพติดถ้าเขา นามผู้แสดงมีดังต่อไปนี้อาทรภาธิภัตนะทินดาเกษรีเปรมกมลโชติกาสถีณธีระบุญญฤทธิ์ แลเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนะทหารอาสาควบคุมเสียง